โพธิปักคีย์ธรรมคือทำอันเป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้37ประการคืออิทิบาได้แก่ธรรมที่ให้ประสบความสําเร็จสี่ประการสติปัฏฐานคือการตั้งสติสี่ประการสมปทานคือความเพียรชอบสีประการอินทรีย์คือทำอันเป็นใหญ่หประการพละ คือทมอันเป็นกำลังห้าประการโพชมคือทมอันเป็นตัวประกอบแห่งการประสรู้เจ็ดประการมาักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก8ประการ